เดี๋ยวจะกลั่นสัก5้านาที6นาทีก่อนที่จะให้อาจารย์สวิตเทสต่อประมาณครึ่งชั่วโมงประเจ้าตาใครมาฟังทำไฟดับพอใช้ลำโพงเล็กๆแต่พอจะได้ยินเสียงกันถึงเรื่องการที่เรามารวมตัวกันอยู่วัดวาลาม เพื่อทิจาปฏิบัติธรรมให้มันเกิดสติปัญญาว่องไวแล้วก็เห็ น, นเหนอาการณต่างๆที่เรียกว่าวทุกข์ะนะนจา ก, กนั้นได้ําตอบก็ต้องมีการเรียกว่าใช้ชีวิตให้ถูกสิ่งไหนที่ทำแล้วไม่เสื่อมมันมีอยู่ประมาณในการบริโภคสํารวมระมัดระวัง แล้วก็สร้างทำที่เป็นเครื่องตื่นเจริญสติฝึกสติ<น>ตาหูจมลินกายใจสํารวมดีๆ<น>ไม่คุยได้เราก็ไม่คุยไม่พูดได้เราก็ไม่พูดนอกจากเราฟังแล้วนํามากระทําด้วยวันนี้เราเลยเห็ น, นหลายคนก็เรียบร้อยดีตั้งอกตั้งใจวิบัติในว่าช่วงไทยสุดของ40วั น, น, นมันก็เป็นเพียงแค่สมมุติบัญญัติ มเป็นกิจกรรมเพื่อมันก็ว่าปลุกให้ลหลายๆคนได้ตื่นรูนะ้โดยที่ไม่ต้องให้มีใครมาคอยกันแนกันแหน่พูด่าแหมเอาแต่ปฏิบัติไม่ทำงานนะในนี้หลวงพ่อก็บอกแล้วมันมีบางคนอาจจะบ้าบ้าห่วงของห่วงวัดนะบางคนจะเป็นอย่างนั้นได้ ก็มีมรู้อยู่ว่าแม่ลูกพูดนึงไปอยู่นอกวัดเนี่หนังสัตหนังสานทาไมให้อยู่ในวัดไม่ได้ไงแล้ก็ต mm ี hmm. ให้อยู่น่ะดีต่อปรยู่นอกวัดนีให้ก็อยู่ด้วยกันน่ะละเนเพราะว่าคนเรามาวัดนะปุถุชนนะั่นคือคนบ้าเอาง่าดีกันะปุถุแล้วก็ชนชนะนิดหน้าตาช่างนะโกรธแล้วโกรธอีกนะ มีอะไรหลายอย่างที่อยู่ทางโลกล้มช้าถูกชนมาล่องลอยมาอยู่ที่นี่ให้มันเป็นที่ปลอดภัยหนะลวงพ่อชอบเปรียบเทียบมันก็ว่าป่าอีสิป่า น, นั้นน่ามรดกใจวันสถานที่ปลดปล่อยใครทุกมาอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวสาธิตอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวใหญ่ทีเดียวแต่ว่าหลายคนเหมือนญาติพี่น้องที่ เพิได้มาเห็นหน้ากันพบหน้ากันที่นี้มาไม่มีคนแปลกหน้าอะไรเราก็เกื้อกูลกันเตมที่การเหลืออะไรก็บอกกันเนี่ยเล่าทำไมก็เลยบอกว่าในนก็ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วไปให้กับความหวังกับคนข้างนอกเขาจะไปอยู่บ้านเขาจะเช่า บ, บ้า น, นก็ไปอยู่ก่อนทักวันสองวันเดี๋ยวค่อยเข้ามาในวัดกันแล้วกันจะจัดหาที่พักที่หลับนอนให้ เพรานะนั้นมีแม่ลูกยกคู่นึงครับไอ้ตัวผู้หญิงจบปริญญาโทส่วนลูกนี่เป็นเด็กที่มีความสามารถสูงในระดับประเทศเนะี่ยแต่คนนี้ใช้ได้แต่ไม่ชอบการเรียนระบบการศึกษาในกรอบภาพบังคับต่างๆแต่จะมาอาศัยอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งไกลๆมาหยุดตบตวนชีวิตของตัวเองเนี่ยนะคือเก่งเกินลักษณะนี้หรือเรียกว่าปุถุชนก็คือคนบ้านนั่นแหละนะ จบด็อกเตอร์มันก็ทุกแบบด็อกเตอร์อ่ะปริญญาโททุกแบบปริญญาโทเก mm hmm. ่งขนาดไหนก็ตามแต่แต่ยังไม่มีสีมีความรู้สึกตัวระวางเพี้ยนงนี mm ้เราก็จึงไม่ mm hmm. ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เหมือนกับว่าปลยป่าละเลย mm hmm. เลยเพราะคนที่เข้าวัดนี่สำคัญ mm hmm. ใครก็ตามที่ทุกมามาอยู่ที่อยู่เย็นเป็นสุข mm hmm. เป็นอย่างนั้นใครที่มีศีลยังไม่มา ก็ขอให้มาใครที่มาแล้วก็อยู่เป็นสุขเป็นสุขเป็นสุ ข, สขพัฒนาจิตกใจหรือนะ ว, ว่าไม่หลงทางนะใกลกก็ตามที่เคลื่อนไหวรู้สึกอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเดินยงกลมมานั่งเสื่ อ, เ, อ, อเคลื่อนไหวได้มือสิบนสะี่จังหวะแล้วว่าดูลมหายใจท้องพองยุบอะไรก็ตามเถอนะสถานที่ไหนที่ไหนที่มีการฝึกกรรมฐานก็ฝึกไปเถอะมันะก็จะเป็นประสบการณนะ์ที่จะทําให้เราได้เลือก ว่าวิธีการใดมันบอกกระตนกระตนแล้วก็ทุกมันลดจริงๆนะอย่างเช่นว่าที่นี่บางทีเราก็เห็นพระปฏิบัติเรามีความคิดเยอะมากฟุ้งจนเอาไม่อยู่นะบางปีถึงอะไรจับล็อกกัเนะนเลยนะวิ่งพลานอะไกระพ้าบ้านนะนะที่บ้าว่ามันไม่รู้สึกตัวมันไม่มีบ้านนะเพื่อนไงมันไม่มีบ้า น, นก็นอนหนหาเองก็บ้านนะ แต่มีนอนหัวก็เป็นบ้านมีที่พักมีที่หลบนะความเป็นปกติเป็นบ้านมาตรฐานของจิตต้องปกติก็นี้ไม่มีความเป็นปกตินอนหัวหายบ้านหายก็บ้าเพี้ยนกันไปเพราะฉะนั้นการขูดกาต้องพอสมควรดีเดียวนะทุดดงกวาดก็ให่มาใช้บ้างกรดียังมีบางคนในฉันเอกานะไม่ชีจีนฉั้นมือเดียวน่าเขาลบฉั้นมือเดียวพระที่เนี่ยตัวใหญ่ฉั้นมือเดียวตอนไหนตะไลมาแล้ว หลังจากชันเช้าเสร็จล่างบาดปั้มหายแวบเข้าป่าไปเลยมารายะหลังในะเหล็กกระลาบอาดีเหล็กกระลาบนะมันเยอะมันมาตามคนคนมีกระตังคนมีฐานะนะคนใจบุญเข้ามาอย่างวันเช้ายมตุกก็เลี้ยงอาหารพระยิ่มน้ำสำลานกันไปนแต่เราสิ่งนั้นมาทำอะไรกั น, นแต่เราไม่ขุดเกา่ากินเลดเดี๋ยวพ่าว่าคนขวายในงานที่ชอบ อยู่อย่างต่ำทำงานอย่างสูงอยู่อย่างต่ำก็มาเปิเป็นแพร่อยู่ต่ําๆกินน้อยๆนอนน้อยๆอย่างนั้นพูดคุยน้อยๆทางานหนักก็คือกรรมฐานหนักๆมหน่อยงานมันสูงมันยกจิตขึ้นสูงเนื้อเกิดเนือแก่เนือเจ็บหน้าตายอยานั้นพเจ้าแต่เราทําวัดเราฟังหลวงพ่อดีเดียวคำพูดของท่านแต่ละประโยคแต่ละคำํำมันเป็นการกรองแล้วออกมามันเป็นความบริสุทธิ์เราฟังแล้วก็น้องก็มาใส่ตอนน้องก็มาใส่ตอนันออน้อิ่มไปเลยละ นะก็เพราะว่าเรามาทนะําสิ่งเดียวกันจริงที่ท่านพูดกับสิ่งที่เราเป็นมันมีอยู่ความรู้สึกตัวหรือภาวะพูดดูดูละเห็นเแล้วไม่เข้าไปเป็นพวก น, เนีเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูกเปลี่ยนหลงกลายเป็นไม่หลงเป็นรู้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราฟังอาจารย์นะมเมื่อเช้าหลวงพ่อจะทักทายว่าอาจารย์สวิตเนี่ ย, เ, ยเทศหน่อยนะผมเลื่อมาก็ตอนระหว่างขับรถก็ หมายถึงกรลดกันนี่เพราะขับไปประชาม า, จ า, ม า, ม า, มาเจอท่านนั่งล้างสารพิดอยู่กาจารนล้วนก็ลยยายมาจาย์เดี๋ยวยันนิเทศนะดังนันตอนนี้ก็เห็นว่าเป็นเวลาที่มันพอเหมาะสมควรนะท่านกำลังอยู่หน้าที่นี้แล้วเนะดี๋ยวเราจะได้ยินได้ฟังจนะทําความเป็นจริงที่ท่านมีอยู่แล้วก็จะเทออกมานะให้เราได้ยินได้ฟังกันต่อไปแล้วก็น้อมรับด้วยความเคารพกาพิรันตะ์ตอรร น, นนี้นิมนต์ครับผม ก็นอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า